ขัดแย้งกันความงดงามของจิตนั่นละ่ะคือต้นเหตุแห่งกายที่งดงามความน่ารังเกยียจของจิตนั่นละ่ะคือต้นเหตุแห่งกายที่น่ารังเกยียจในแง่ของกรรมตกแต่งรูปร่างหน้าตานั้นศีลเป็นตัวกำหนดสำคัญว่าสัสดส่วนหรือรูปทรงจะดูพอเหมาะพอเจาะไร้ทิ่ติหรือเต็มไปด้วยทิ่ติตามจุดต่างๆ กรรมใดๆก็ตามที่ปรุงแต่งใจให้งามได้กรรมเหล่านั้นก็มีส่วนทรงเสริมให้รูปงามขึ้นเสมอศีลจะมีส่วนช่วยปรุงแต่งหน้าตาให้ดูดีจริงๆต่อเมื่อสะอาดหมดจดในข้อหนึ่งๆความรู้สึกภายในของคุณเป็นอย่างไรคนก็จะมองเห็นคุณและเกิดความรู้สึกเช่นนั้นตามไปด้วยเช่นหนึ่งอยากปกป้องชีวิตสัตว์ ทำให้หน้าตาใจดีเห็นแล้วสงบเย็นดูปลอดภัย 2. ไม่เพ่งแ็งอยากได้ทำให้หน้าตาน่าไว้ใจเห็นแล้วน่าเชื่อถือสซื่อสัตว์กับคู่ครองทำให้หน้าตาชวนอบอุ่นใจเห็นแล้วนึกอยากเป็นคู่ด้วยสไม่คิดปั้นคำลวง ทำให้หน้าตาใส่ซื่อเห็นแล้วนึกเอ็นดูชวนให้วางใจหรือหน้าฝากใจห้าไม่เกลือกลัวสิ่งเสพติดมืนเมาทำให้หน้าตาดูปกติเห็นแล้วไม่ชวนระแวงว่าเป็นพวกบ้าบ้องหลักง่ายๆคือถ้าเกิดกิเลสแล้วตามใจกิเลสบ่อยๆจะเป็นเหตุให้ใจซามลง ส่งผลที่มีรูปสามได้เดี๋ยวนั้นเช่นใบหน้าหมองคล้ำราศีมนมืดลงแต่ถ้าเกิดกิเลสแล้วรู้จักระ ง, งับไม่ทำอะไรประเจิดประเจรจะเป็นเหตุให้ใจสวยขึ้นส่งผลให้รูปสวยได้เดี๋ยวนั้นเช่นใบหน้ากระจ่างราศีสดใสขึ้นแม้หน้าตาเหมือนเดิมแต่จิตใจสะอาดขึ้นก็ดูดีกว่าเดิมได้ หักคุณมีศีลสัส์บริสุทธิ์สะอาดอย่างแท้จริงก็จะรู้สึกออกมาจากภายในว่าจิตใจของคุณมีความเที่ยงตรงไม่บิดเบี้ยวความรู้สึกแบบนั้นละ่ะที่ตกแต่งรูปร่างหน้าตาออกมาได้สัดส่วนเหมาะเจาะยิ่งถ้าหากถือศีลได้สะอาดบริสุทธิ์ตลอดชีวิตกระทั่งแม้ใจก็ไม่กระดิกไปคิดอยากละเมอศีลตามแรงยั่วยุชาตใหม่จะมีรูปร่างหน้าตาสมส่วนหมดจด มองจากมุมไหนก็ดูดีไปหมดแบบที่เรียกกันว่างามไร้ที่ตินั่นเองหมายเหตุผู้อ่านและแม้ว่าปัจจุบันจะมีการทำสารยายกรรมได้แต่ก็ให้สังเกตนะครับว่าหลายคนทำหมอเดียวกัน แต่คนหนึ่งออกมาดูดีอีกคนกลับดูไม่ดีซึ่งในที่นี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าท่านหมายถึงกรรมที่ตกแต่งให้เกิดมาเป็นแบบนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องการปรุงแต่งภายหลังซึ่งการปรุงแต่งภายหลังได้ดีหรือไม่ดีนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญอีกเช่นกันว่ามีบุญพอที่จะทำให้มีฐานะมีสิ่งเกื้อหนุนให้ปรุงแต่งร่างกายได้ดีขึ้นแค่ไหนทุกอย่างก็ล้วนแต่อยู่ที่พื้นฐานบุญ บางครั้งแม้จะทำออกมาดีแล้วก็ยังรู้สึกไม่พอใจต้องทำแล้วทำอีกจนกลายเป็นหน้าเสียโฉมไปก็เยอะนะครับและประเด็นที่ว่าสิแต่ลข้อนั้นทำให้คนรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรหมายถึงความรู้สึกกับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีอคติและมีสภาพจิตเป็นปกติแต่ในความเป็นจริงนั้นแม้เราจะทำดีแค่ไหนก็ตามก็เป็นธรรมดาว่าคนที่มีพลังงานทางจิตแตกต่างกับเรานั้น เขาอาจจะมองได้แตกต่างกับคนทั่วไปดังคำที่ว่าคนชั่วเห็นความดีคนอื่นได้ยากเป็นการขัดแย้งกันทางพลังงานนะครับพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันพลังงานที่ต่างกันจะผลักไสออกจากกันต่อให้เราทำดีแค่ไหนคนชั่วไม่มีศีลไม่มีธรรมเมื่อได้เข้าใกล้ก็จะรู้สึกไม่สบายใจไม่ชอบขี้หน้าเป็นธรรมดาและคนชั่วด้วยกันนั้น เมื่อเขาได้เจอกันพลังแบบเดียวกันก็จะดึงดูดเข้าหากันให้รู้สึกถูกอกถูกใจชอบพอกันได้ง่ายและให้ลองคิดดูนะครับว่าคนดีมีศีลเมื่ออยู่ด้วยกันจะแตกต่างกับคนชั่วไรศีลที่อยู่กับคนชั่วไรศีลด้วยกันอย่างไรท่านถึงว่าทุกอย่างที่เราได้เจอนั้นล้วนแต่เป็นกรรมของเราที่พาไปพบไปเจอทั้งนั้น จิตของเราเป็นแบบไหนก็จะดึงให้เจอคนให้ชอบพอกับคนที่มีจิตในแบบเดียวกันกับเราได้ง่ายและจิตแบบเดียวกันนั้นก็มาจะซักชวนกันหรือโน้มน้อมกันและกันให้พูดคิดทำไปในแนวทางของสภาพจิตเดิมได้ง่ายเช่นกันนี่เป็นข้อปลีกย่อยที่ต้องเข้าใจในเรื่องของกรรมนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมากการฟังการอธิบายเรื่องกรรมก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ท่านอธิบายเป็นหลักกลางๆส่วนข้อยกเว้นและกรณีพิเศษนั้นเป็นสิ่งที่ต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจและต้องศึกษากันโดยละเอียดแล้วเรื่องกรรมก็เป็นเรื่องอจินไตยเพราะมีปัจจัยแวดล้อมที่ส่งให้กรรมออกผลแตกต่างกันมากจึงต้องเข้าใจให้ตรงด้วยนะครับ